ท่นสาธาจชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่27สิงหาคม2527วันนี้เป็นวันบันทึกเสียงความจริงวันนี้ก็ยังป่วยไข้ไม่สบายมากนอกจากเป็นโรคทางท้องแล้วก็ยังมีโรคไข้หวัดเข้ามาเล่นสะงงอมแงม จะได้ว่าพอมีแรงบ้างเล็กน้อยที่ต้องมาพูดก็เพราะว่ามีเรื่องควรจะพูดเพื่อความเข้าใจถูกของบรรดาท่านผู้ถบริษัท ต, ตอนนี้เป็นเล่มที่สองเริ่มต้นเมื่อจบเล่มที่หนึ่งตอนนั้นได้พูดถึงฐานะของวัดบานองโคและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทที่วัดบานุโค ว่าท่านเป็นคนคนสมัยนั้นไหมนคนสมัยเป็นคนไม่รู้ง่ายและก็หมายความว่าจะมาป่วยมาทั้งสองปีต้องดูรถอยู่โรงพยาบาลท่านก็ตอบว่าไม่รู้ต่อมามาพักฟื้นที่วัาชินโนรถอีกหนึ่งปีท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ แล้วต่อมาใช้เวลาทั้งหมด27ปีปีพศออ2527บางคนเพิ่งจะรู้ว่าแตมายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ใช่โทษใครบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเป็นเรื่องกฎของกรรมแต่ว่าท่านฟังแล้วขอขได้โปรโด ซาวาตามาพูดมาถอยหลังไปยีป่สิบเจ็ดถึงสามสิบปีไม่ใช่ชาวบานุโคในสมัยปัจจุบันชาวบานุโคในสมัยปัจจุบันนี่เป็นชั้นลูกชั้นหลานไปแล้วสำหรับท่านในสมัยนั้นต่างคนก็ต่างตายกันไปไอถามว่าตามาได้ทำผิดคิดร้ายอะไรไว้มากหรือ คนชาวบ้รนโคทั้งหมดจริงไม่สนใจความจริงไม่ใช่ไม่สนใจคนบ้านงโคเวลานั้นตกอยู่เป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสนับสนุนวัดแต่วิกลุ่มหนึ่งเบียดเบียนวัดคำว่าเบียดเบียนวัดหมายถึงว่าวัดต้องอยู่ภายใต้อานาจใครจะเป็นเจ้าว่าก็ตาม จะต้องอยู่ในฐานะเป็นใต้อำนาจของท่านผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นจิงก็อยู่เป็นสุขแต่ว่าพอสมัยอาตมาไปเป็นเจ้าวาดก็ท่านอรไหลก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าอะไรถ้าผิดธรรมทีวินัยอาตมาก็ยอมไม่ได้เรื่องที่จะสะดุดใจถนักพึ่งรปึงกับการเปยกลายเป็นศัตรู ก็มีเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่อาตมาเข้าไปรับตําแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆตรวจสอบบัญชีที่หลวงพ่อปานรมบันทึกไว้ท่านเขียนไว้ด้วยลายมือของท่านเองว่าเงินฝากคนนั้นไว้เท่านั้นฝากคนนี้ไว้เท่านี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเวลาการผ่านมาตั้งหลายปี เงินจํานวนนั้นจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบจึงได้เชิญท่านแจาของที่แจกของชื่อที่น้ว่าปานเขียนชื่อไว้ว่าฝากเงินไว้ถามท่านท่านก็ยอมรับว่าเป็นความจริงถามน่ายอดเงินตามจํานวนนั้นว่าปานเขียนท่านก็บอกว่ามีจริงแต่คำว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องคิดเหมือนกัน เวลาการผ่านมาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้มันก็ผลิดดอกออกผลถ้าจะมาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ถามว่านาะถ้าจะมาจะนำมาก่อสร้างนาะจะเห็นชอบด้วยไหมท่านผู้นั้นก็บอกว่าเห็นชอบด้วยถามว่าไม่เดือดร้อนหรือเขาบอกไม่เดือดร้อนย <c oughs> ังบอกท่านว่าถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบก่อนลูกหน้าเจ็ดวัน อาจจะมาก็เริ่มทําการกอร่อสร้างแต่ท่านบุญนั้นท่านก็ดีท่านมีจริยาเรียบร้อยเป็นคนมีจริยานิ่มนวนมากก็ไม่เห็นไม่อะไรแจ้งไปทีไรท่านก็นํามาให้ทุกทีอาการที่แสดงออกที่การรังเกียจที่การโกรธก็ไม่มีแต่ก็ต่อมามีเรื่องแปลกอยู่จุดหนึ่ง นั่นก็คือไม่ใช่ตัวท่านเองเป็นคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงแสดงความโกรธแค้นถึงกับไปพูดว่าไอหมานี่มันสำคัญมากเอาไว้ไม่ได้ถ้าเจอหน้าจะต้องยิงบ้างเจอหน้าจะต้องฟันบ้างโซนทานจะต้องฆ่าเสียบ้างจึงกระทั่งคนที่รับฟังทนไม่ไหว <c oughs> ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่แจ้งให้ทราบว่าคนพู้นั้นไปพูดอะไรที่ไหนแล้วก็แสดงการโกรธเคืองทีนี้บอกเขาว่าพี่แลอน้าก็ตามอย่าเพิ่งโกรธเขาเลยเขาอาจจะพูดใดนความเมาก็ได้ถามว่าที่ก็ปลารบเรื่องนั้นประเพราอะไรเป็นเหตุเขาบอกเงินเนี่ยอยู่มาตั้งสิปียี่สิบปีแล้วก็ปันฝากไป แล้วเจ้าวาดก็ผ่านมาสององคืคอหั้งพ่อเล็กกับพระอาจารย์เจิมก็ไม่มีพระองค์ไหนที่มาขอเงินเอาไปทำการก่อสร้างไม่ขอเบิกเงินเขาก็เก็บเขาเลาสาเขาไว้แต่ว่าเจ้าหมานี่มาเป็นเจ้าวาดหน่อยเดียวมันเบิกทำให้สร้างความเดือดร้อนใจความจริงเสียงนี้นะ เมื่อฟังกันไปจริงๆแล้วก็ไม่เห็เสียงคนที่รับเก็บเงินเป็นเสียงคนอื่นนี่เป็นจุดสะดุดจุดหนึ่งทเทอตมาขอเบิกเงินของวัดถึงเก็บไว้นานแล้วเอามาใช้ใจ่ายนั่นในการก่อสร้างแต่ว่าท่านผู้เก็บรักษาไม่ได้โกรธแต่คนอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกับโกรธนี่จุดหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งที่เกลียดเทอตามา แล้วก็จุดที่สอง <c oughs> เรื่องการเงินเหมือนกันหลังจากงานนมันิการวัดถ้าตอนนั้นอาตมาเข้าไปรับงานเงินของสองฆ์นี่นอกจากที่หลวงพ่อปานบอกว่าฝากเขาไว้หลายสิบปีมันอาจจะเกินสิบปีแล้วไม่มีตัวเงินอยู่เลยทีนี้ต่อมาก็คิดว่าทำยังไงวัดจึงจะมีเงิน ไปตรวจบัญชีงานประจำปีเห็นกำไรสุทธิสองร้อยบาททั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทายกหรือกรรมการวัดจกโกเพราะว่าเวลานั้นเวลาจักงานจริงๆคนร้องแรงเต็มทีคนไม่มีมาในงานมัสการซึ่งปิดกับสมัยนี้ว่าปันอยู่มีชีวิตอยู่มากพพระาะทำไมก็ดมอิไ ว่าเราจะประกาศเกียบีคบิคนเคารพปานคนเคยเคารพบนบถือมามากแต่แต่ว่าเวลานี้คนลืมนุ่มปานไปซะแล้วพรวัดมาประกาศให้ทราบจึงหาทางจะนำเรือออกไปประกาศงานวัดแจ้งคือเข้าเขตเข้าสายสุพรรณบุรี ว่าในสมัยนี้พ่อปานมีชีวิตอยู่ทคนสุบปรพันธ์บุรีเคารพนับถือพ่อปานมากแต่ก็มันนอนนึกว่าค่าเรือของเขานี่เขาให้เช่าเดือนละพันห้าร้อยบาทเดือนละพันห้าร้อยบาทเนี่ต้องออกค่านา้มันเองนะเอาค่าเช่าเรือเครื่องขยายเสียงก็ไม่มีต้องเช่าเครื่องขยายเสียงอีกเดือนละพันบาทสมัยนั้นเงินค่าเงินแพงมาก ถ้าเราเดินทางไปแบบนี้ถ้ามีรายได้ต่ำกว่าวันละร้อยบาท <c oughs> ก็หมายถึงว่าต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องเป็นหนี้อย่างชิดไม่มีอะไรชำระเขาด้วย <c oughs> ทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสตังค์ของวัดไม่มีเลยอาตมาก็เป็นคนไม่มีสตังค์ไม่เก็บสตังค์กับเขาเป็นนักเทศก็จริงแหละแต่ว่าไม่ได้สะสมเงินทองไว้ วันนี้เสียงแกล้มเอ็มไอมากโปรสาภาษีหาอย่างพันคอมากก็มานั่งนอนคิดว่าท่านยังไงแล้วก็ท่านผู้เก็บรล้ษาเงินนี่แหละที่จะมาต้องชมท่านถ้าเป็นคนดีจริงๆมีเจริานิมนนนท่านมาก็ปรกสากันว่าจะทำยังไง <c oughs> ในเมื่อต้อนทุนมันไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องถึงวันละร้อยบาท แต่จริงๆแล้ววันละร้อยบาทมันก็ไม่พอ <c oughs> น้ำมันเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องคนที่ไปในเรือก็ต้องต้องจ่ายสตังค์แล้วค่าอาหารการบริโภคก็ต้องกินทุกอย่างก็เป็นเงินหมดถ้านคนนี้ท่้นคนดีท่านบอกว่าก็าลองดูครับ <c oughs> ผมคิดว่าอเงินน้อยๆมันก็ต้องมีทุนกันบ้างเขาก็ให้บ้าง ก็บอกกัท่านว่าไปคราวนี้ไม่ได้ไปหวังหาเงินต้องการอย่างเดียวคือประกาศเกียรติคุณพระปันให้มันดาญาติโยมทราบเพราะเวลานี้ท่านลืมกันะแล้วแต่ก็บอกก็เอาแล้วก็ไปเรื่องหน้าแปลจุดหนึ่งนั่นก็คือนอนกลางคืนภาวนาอยู่ตอนดึกประมาณทีสองเศษ ได้ยินเสียงคนพูดจะเป็นเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงเด็กก็ไม่ใช่เสียงกล้ามกึ่งกันมันนั่งพูดข้างหลังว่าไปได้ไปได้ช่วยกันช่วยกันฉันจะช่วย <c oughs> ก็ปเป็นว่าตัดสินใจไปตามเสียงนั้นจะตามคําแนะนําของท่านผู้พูดคือท่านบุราษาเงินที่ก็แนะนําว่าควรจะไปเพราะวัดเราโทมเต็มที ที่ความจริงคนเก็บรักษาเงินจริงๆถ้าไม่ได้เจ็บใจแต่คนอื่นมาเจ็บใจก็สงสัยเหมือนกันสมมติว่าท่านเอาเงินของท่านให้วริรักูกไปเวลาวัดต้องการท่านอาจจะต้องเรียกเงกินกองท่านคืนคนอื่นไม่ได้เจ็บใจก็เป็นเรื่องน่าสะันถอยเรียวจากวัดยิ่เละเพพะแค่ตลาดบรรพผนนิดเดียวกว่าจะถึงก็เที่ยง แล้วก็เดินทางเรื่อยๆไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีพอไปถึงเขตตําบลบ้านบ้านสดเพื่อไผ่กองดินก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบางประมาะหลายท่านนั่งไปกับเรือด้วยท่านเป็นสายตรวจ่อเข้าไปเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันแล้ไปช่วยทํางานด้วยญาติโยมพวบริษัทเวลานั้นรูปหลอ่อหลวงพ่อปานไปด้วย ทุกคนลงมาในเรือแล้วต่างคนต่างร้องไห้ต่างคนต่างกราบส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มียุคมากๆร้องไห้ค <c oughs> ิดถึงว่าป่านจอดตระทาก็ต้องใช้เวลานานๆท่านทําบุญกันบ้างไหมทาบ้างไอ้ท่านทําบุญไม่สําคัญแต่านก็เรียกลูกเรียกหลานประกาศคุณงามความดีร่วมกับปานให้ลูกหลานทราบต่อมาการที่มีตํารวจไปในเรือ ข่าวก็ไปถึงวัดบารุงโคว่าเวลานี้เรือของวัดบารุงโคที่ออกประกาศเกียรติคุณข้อปานถูกจับตำรวจนั่งเต็มรัเรงเวลานั้นท่านรังสันลังจิคุณเป็นนาอำเภอเสนาคณะกรรมการวัดอุทายกก็ไปถามท่านแต่งบอกวา่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไรเป็นเรื่องบอกบุญและประกาศเกียรติคุณกันถ้ามีเรื่องเขาต้องส่งมาที่นี่ เดตตามขาก็ถูกจับอาวุธปืนเรือด้วยท่านบอกว่าอาวุธปืนไม่เป็นไรก็มีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเขรับมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ความจริงการไปคราวนั้นปืนมีหลายก็บอกแต่ไม่ใช่ปืนเข้าทางวัดถ้าป่อยปืนทังคนที่ไปกับเรือเป็นปืนของตำรวจตำรวจบางคนมีทั้งปืนสั้นปืนยาวถ้าเขาไม่ได้จับเนี่ย เป็นนว่ า, ากบ า, ารไวัดกับพรรคพวกชุดหนึ่งไปก็ไปถามตามความเป็นจริงก็บอกเรื่องไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยงานตังหาไม่ใช่ว่เขาจับเป็นนว่ า, าคุยกันไปคุยมาตอนเย็นก็มีในบุคคลที่นั้นกลุ่มหนึ่งออกปากบอกเงินมีมากไหมคอยยืมสักห้าพันเท่ ก็เลยบอกว่ามันจะมีมากอะไรที่เขาทาบุญมาเาก็กินไปหมดโดยมากไม่มีอะไรเท่าเสียค่าน้ามันเสียค่าน้ำมันทั้งสองเครื่องเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้าต้องเสียค่าแรงงานคนงานต้องเสียค่าเช่าเรือค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กินมันก็ไม่เหลือก็เขาฟังแล้วก็เห็นใจแต่ความจริงเป็นเรื่องเขาไม่พอใจ มาทราบทีหลังว่าคนออกปากขอยืมเงินนี่ไม่พอใจแต่รี่เถื้อใครเลยเขาท่านไปตายไปหมดแล้วต่อมาก็เรือไปถึงอำเภอสามชุกก็มีท่นานกรรมการอีกคนหนึ่งบอกลูกชายไปว่าเงินมีมากไหมให้ขอยืมสักแปดพันบาทจะไปซื้อเสาซื้อเสามาขายเขาอว่าเงินเท่าดีเห็นนี่มันมันไม่ใช่เงินเก็บ มันต้องเป็นเงินจ่ายนอกจากจะจ่ายกินจ่ายค่าเช่าเครื่องค่าเช่าเรือค่าคงาน mm hmm. ก็ยังซื้อของซื้อไมอ้ไปสร้างวัดเวลานี้ยังให้เขาไม่หมดเขาเห็นว่าพอมีรายได้เขากยังให้เชือจุดนี้อีกเขาก็ไม่ชอบใจแล้วต่อมามีบุคคลคนหนึ่งมาแนะนำบอกว่าเงินรายได้ของวัดงานประจาปี หลังจากวัดเคยได้200บาทปีแรกประจัดงานที่นั่นน้ำท่วมจัดได้กำไรสุดที่ 9,000 บาทต่อมาก็เป็น1ม0 0 0สองบาทไม่ปี 2, สอง0มื่เศษไม่ปี 3, สาม0มื่เศษไม่ปี 4, สี่0มื่เศษจนทั่งถึงหกหม0บาทเศษแต่ก็แต่และคราเมืง่องานเสร็จก็ชำระหนี้หมดทันที หากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายได้จ่ายจริงๆไม่เก็บไปเลยหมดแล้วก็ชำระหนี้กับเจ้าหนี่ต่างๆเงินมันก็ไม่เหลือท่านพ น, นั้นคิดแต่เงินเหลือจริง้บอกว่าเอาเงินอย่างนี้กันแล้วกันเงินงานวัดทั้งหมดเนี่ยผมจะมให้เขากู้แล้วก็ดอกเบีย้ยจะส่งวัดตามกฎหมายส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของผม ก็ ว, ว่าทําอย่างนั้นไม่ได้เงนินญาตโยมพระตุโบริณใส่เขาทำบุญมา แ, แล้วบอกเขาบอกว่าจะชําระหนี้ก็ต้องชําระหนี้ให้เขาวัดเป็นหนี้อยู่ไว้ก็ต้องชําระหนี้ทําแบบนั้นไม่ได้นี่เล่าอย่างย่อเรื่วงความประปัจจัยเรื่องเงินเป็นปจนัจจัยคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งโกรธมาก ที่โกรธมากก็ถึงว่าคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะไล่ <c oughs> แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความหวังดีคิดจะช่วยเกือบจะมีการต่อสู้กันหลายครั้งเกือบจะต้องประหาประหารกันก็บอกอย่าทำอย่างนั้นเลยเขาก็พูดไปงั้นเขาด่าเขานอกไรไปโกรธอะไรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบใจคนอีกคนหนึ่งตายไปแล้วเหมือนกัน คุณชมแล้วเรเรียกว่าพี่ชมใครใครก็เรียกว่าพี่ชมเป็นนักเกลงพี่ชมเนี่แหละเป็นคนให้ชีวิตให้ความปลอดภัยอยู่มากแต่ประกอบกับคนอื่นที่มีความหวังดีแล้วความจริงคนที่หวังดีจริงๆนะข่อนตําบลคนที่ประทุสายจริงๆแล้วนะไม่กี่คนที น, นี้จะมาถามว่าทําไมจะมีการทอดทิ้ง เรื่องนี้ก็มีความจําเป็นเพราะแต่และตําบลย่อมมีคนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลนี่มีอำนาจสามารถจะบงการอะไรก็ได้มีอยู่คนหนึ่งเม <c oughs> ื่อพูดอะไรไปแล้วทุกคนต้องยับยั้งตามเขาแ ต, แต่มาก็ทราบว่าเขาผู้นั้นเป็นคนยับยั้งคนก็ไม่ได้โกรธเถือไปเรื่องธรรมดา นี่เป็นเรื่องภายนอกนะแล้วก็ไว้เรื่องหนึ่งที่เรื่องจะต้องเกิดแบบนั้นก็เป็นไปนตามคาสั่งที่วันบวชวันแรกคุณข้อปานเขาเรียกข้าไปอบรมในตอนเด็กท่านบอกว่าถ้าอยู่ที่วัดนี้ถึงยี่สิบปีให้ออกจากวัดถ้าคุณไม่ออกจากวัดจเจ้าดีไม่ได้เรื่องนี้น่าจะจริง ว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์มที่คนที่มีใจไม่เสมอกัน <c oughs> คนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันมีอย่างนั้นต้องใช้รมต่อสู้มันก็ยุ่งแต่ก็ายามหากักอารมณ์ข่มใจตามระเบียบของพระจ <c oughs> <c oughs> ึงแอลว่าเมื่อถึงเกณฑ์ยี่สิบปียังมีเหตุอย่างนี้คือการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้น แล้วก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ความจริงเบื่องานประเภทนี้มากมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากจะอยู่คนเดียวเรื่องการกินน้นไม่สำคัญหุงข้าวกินเป็นกับข้าวมีน้าปลาหน่อยมีพริกขนันนิกินได้สบสบายอยากจะอยู่อย่างสงบสงัดไม่มีกังวล ตัว อ, อยู่วัดบรลังโคนนอกจากจะกวนในวัดที่เขสร้างนอกวัดมากซึ่งคนพวกนั้นเขาเห็นแต่เขาไม่ยอมรับทราบก็มองความว่าด้วยกฎของกรรมันนี้เป็นปัจจัยบัรดาลอย่างหนึ่งให้คนทอดทิง้งก็เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่จะมรุกอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นเหตุบรรดารให้ปัญญวิคีคือสีทั้งห้าเบือนายหนีนไปไป่าอิสิปัทละพระฤายวันเ <c oughs> <c oughs> มื่อมีความสงายเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันยันได้บรรลุอภิเศษสัมมาทัณฑ์ญาณอาตมาก็เหมือนกันถ้ามีคนประคับประคองอยู่คงทิ้งวัดมาไม่ได้ตามคําสั่งหลวงพ่อปานเรียกคนไม่พอในบางจุดก็บอกมีนคนไล่มานี่ไม่จริง <c oughs> ยังไม่มีใครเขาไลา่ออกมาแล้วตั้งหลายปีตําแหน่งเจา้าวาดเขายังไม่จำนายเลยเจา้าวาดองปัจจุบันนี้ไปรักษาการอยู่ตั้งหลายปีอาตมาก็ไม่สราบมา่ราบแล้วก็หาทางออกขอ้ามถูกต้องตามบทบัญญตตัติของเอ่อของราชญาตปกครองคณะสงฆ์เพ <c oughs> ื่ า, าเรื่องนี้ก็ขอพูดสรุปสั้น เหตุมีอย่างนี้นะเออการหนึ่งเมื่อวันที่21สิงหาคม2527คิดว่าเดินพฤิกาวันที่25จะไปพาคณะสิษย์ไปน้ำมการหลวงพ่อปานที่วัดบ้านองโคก็เลยเดินทางไปรถ 3-4 คันการเดินทางไปนี่จะไปสอบดูว่าทางรถวิ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ เวลาไปจริงเวลามันต้องเลินนานกว่านั้นเตรียมข้าวอาหารปลาข้าวปล า, าหันไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้แจ้งในทางวัดทราบคือไม่อยากจะรบกวนคันเมื่อไปถึงแล้วเป็นพ้ ด, ดีที่หลังวัดพร <c oughs> ะเะวันเริ่มฉันกันมีเราหนึ่งมรนิมนไปฉันข้างบนโตไม่ต้องหนคะรับผมมีอาหารมาฉันเดินดูวัดก็ชื่นใจ มองดูลานวัดเห็นมันแคบไปก็สงสัยว่าตาแล้วไม่ดีที่ไงเมื่อท่านเจ้าวาดลงมาท่านก็บอกว่ามันแคบไปจริงๆเพราะต้องตลิ่งมันพังไปสามวาเศษเขื่อนเก่าที่หลพอพ่อปานสร้างไว้พังท่านมาสร้างเขื่อนใหม่ไม่ทําทุกกรหน้าลุกลงหน้าวัดสวยสดสวงามอันนี้ต้องเห็นความอุตสาหะวิริยาของท่านเต็มใจทำจริงๆ แล้วก็มีความสามารถเป็นเบสเซต์ระวัดบารุงโคนี่ถ้าพูดตามส่วนถ้าเเงินตามบนมันก็เลี้ยงตัวไม่รอดจะว่าต้องเก่งจริงจะสามารถทังเงินมาทำแบบนั้นได้แต่การทำแบบนั้นมันหนักเพราะต้องจ้างเขารือ้อแล้วก็จ้างทำเสียเงินสองชั้น <c oughs> แต่ก็ทำได้น่าปลื้มใจดูบริเวณวัดก็เกทพื้นเรียบ ก็ต้องใช้เงินมากค้นไปดูทำด้านหลังวัดหลังวัดจริงๆในที่ลุ่มมากค้นทางที่เดินไปกุฎ ด, ดังในะความจริงมันทั้งหวัวปานนั้นทําสะพานสูงขึ้นมาประมาณเมเ็ดเศษอาจมาจำไม่ได้ว่าเมเ็ดเศษทัสองเม็ดนี่จําไม่ได้ต้องมีสะพานเดินไี่ดูความลึกจริงๆก็ต้องไปดูที่กุฎ ด, ดังกุฎ ด, ดังนั้นต่ําเป็นหลุมลงไปเท่าไหร่ เห็นว่าพื้นจริงๆของวัดเป็นอย่างนั้นแต่เจ้าว่าก็นำดินมาใส่แล้วสงทั่วบริเวณหมดตอนนี้เป็นการทาบุญหลังพระแหน่แล้วทาบุญก้นวัดจะก้กนตูดพระแหน่ทั้งนี้เพราะอะไรญาจิโยนที่ไปเคยผ่านไปก็คิดว่าวัดจะมีดินดอนขนาดนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าท่านจะว่าจจเนขนาดไหน นั้นหนักขนาดไหนแต่ความจริงจรงแล้วการถมดินถึงแม้ว่าจะซื้อถูกก็ปริมาณมากเกือบทั่วบริเวณวัดไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยอาตมาเดินไปก็อดชมความดีของท่านไม่ได้ <c oughs> ต่อมามาดูพระโวสดพระโวสดภายนอกซุ้มนีสมัยก่อนทำไม้แค่เขียนสีแล้วก็หน้าบันด้านหลังด้านตะวันออก ก็ไม <c oughs> ่ได้ทาสีเลยเป็นโปูนซีเมนเฉยๆคราวนี้แพล่ราวเต็มเลยยับเป็นแก้วกระทองนั่นก็เป็นความสามารถขบันดาเจ้าวาดองปัจจุบันคือพระครูยานิกิจานิยต์เจ้าวาดปัจจุบันเกรงความว่าเดินไปก็ชมความสามารถของท่านไปจุดหนึ่งก็ไปเห็นกระท่อมคือกุฏิทําด้วยคอนกรีต ถ้าทำด้วยคองกิตเป็นกระต้มเล็กๆเป็นที่จเจริญกรรมฐานก็ดีใจว่าวัดบาดอําโคลกําลังฟื้นฟื้นความดีเดิมขึ้นมาแ้่การทำอย่างนี้ญาติโยมพุทบริษัทก็จงอย่าคิดว่ามันทำง่ายนะักเพราะพรทุกองค์ไม่มีเงินในกระเป๋าจะต้องอาศัยกาลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท บางท่านก็คิดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกคนอยากทำให้มันดีแสนดีแต่เพราว่าการทำในบรรดาญาโยมทั้งหลายต้องเอาใส่เงินถ้าญาโยมไม่ศรัทธาเสียแล้วก็หมดท่ากันโกโครงการที่จะไปวัดบรงโครครั้งนี้ทั้งนี้ก็พราะว่าทุกๆปีที่เข้ารษามาหลายปีแล้ว <c oughs> ท่านมาควิหายกิจจานยุทธท่านก็มาทำวัดมาสัการประจำปีทุกปีเห็นใจท่านความจริงก็คิดว่าร่างกายมันก็ทนไม่ไหวแก่แล้วก็ไม่อยากจะไปขาไหนแต่เนื่อยความดีของท่านที่พระบาลีต่ัสว่าปูชาและปฏิปูชังวันโกปฏิวันทัณฑผู้วไหว้ย่อมได้ไหวตอบผู้ชาจนเท้วการบูชาตอบ เมื่อท่านดีก็ควรจะไปแต่ที่ว่าการไปก็ควรจะไปเป็นครั้งสุดท้ายร่างกายไม่ไหวจริงๆก็ลงความเมื่อไปถึงวัดแล้วก็เห็นคนจะเดินสงพรเปร็นกรรมการวัดและคุณถวันเวียงวังเป็นกรรมการวัดก็ดีใจเพราะคนสองคนนี้มีประวัติดีๆเด่นมาตลอดมา คุณจเจริญชสมพรจบนักธรรมเอกคุณนวันเบียงวังเป็นอดีตครูประชาบาลที่ว่าสองคนนี้รู้จิตใจรู้ความเป็นมาว่าแตมาดีมากเคยร่วมงานกันมาตรวจงานท่านเป็นทั้งสองคนเป็นคนดีจริงๆเมื่อเห็นว่าสองคนเป็นกรรมการวัดก็ดีใจคิดว่านับตน้นีเป็นต้นไปอาจจะเป็นมันนานแล้วกว็าตามคิดว่าวัดจเจริญรุ่งเรืองแน่ ว่าคนที่ดีมีความรู้มีศีลธรรมมีเหตุมีผลก็มาย่วร่วมในกองการกุศลของวัดวัดก็ต้องจเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติ่อ้หมายความเงินให้มาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นก็ต้องถือว่าท่านจะวหวคือพระครูวิหาริกิจารยศเป็นคนมีโชคดี เห็นได้สองคนมาเป็นกรรมาการวัดนอกจากนั้นจะมีใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบเพราะว่านั้นเห็นสองคนเห็นบรนดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทที่เคยรักเคยชอบอย่างพี่สระพี่แจวมาหาท่านก็ บ, บ่นอยากคิดถึงความเกียดอาตมา ก, ก็คิดถึงแต่ทุกคนทุกต่างคนก็ต่างแก่สองพี่ในแก่กว่าอาตมาอาตมากแก่ขนาดนี้จะไปไหนไม่คือไว้สองพี่ยังหนักใหญ่ ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านอุตส่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมท่านก็บอกว่าคิดถึงอยากจะไปเยี่ยมประฐุจะมาได้ยังไงแก่มากแล้วแต่ทิ้งกะไรก็ดีก็ต้องขอบคุณคนดีทั้งนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าคนทางบรานุงโคคิดถึงไอ <c oughs> อยากจะมากันให้การออกจากบ้านก็เห็นใจ <c oughs> มันต้องใช้เงินใช้ทองอยากจะมาเดินทางไปโู่คราว ไปนิดเดียวรถสามคัน้วสี่คันอ๋อรถจริงๆ้วห้าคันถ้าคิดค่าใช้ใจ่ายจริงๆก็หมือนบาทเศษเศษนิรับบนดรดาโจรบริวัรไปทําไหนมันก็ต้องใช้เงินถึงว่าจะไม่ออกเองก็ตามคณเดินออกก็ต้องใช้สตังมีกันกระรงความวัดหน้า น, นี้สําหรับคันเศษนี้ก็ข อ, อยุติประดับเพียงเท่านี้ พระสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปุนผลจงมีแด่บรรดาธรรพุทธสาที่กชนผู้อ่านรับฟังสวัสดี